วิาาขพรามได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งไมคารัเศรษฐีนั่งหน้าเธอมึงถึง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 ผู้สั่งสมบุญย่อมเปีียมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาปพระธรรมเทศนาเป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้โพลงขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระมุขโกลบาบแห่งพระศาสดาพร้อมด้วยกล่าวสรรเสริญว่าจำแจ้งจริงพระเจ้าค่ะแจำแจ้งจริง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 ทั้งๆ ท, ที่เป็นอย่างนี้คนท่าส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกะตัญญูเสียดายสามใจที่ส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสําหรับทาาซึ่งซื่อสั ต, ตย์กตัญญูและเสียสละต่อ น, นายของตนแต่สําหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาาเท่านั้น จะพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาตไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาดหวังอย่างรมๆแรงๆเหนียวบําเหน็จทำความผิดน้อยเป็นผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นน่ะไม่ค่อยจะได้พูดถึงหรอกหญิงคนใช้ของเรานี้นะ่ะเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไว้และนำคืนมาได้ไม่ใช่ทาของเสียหายอย่างใด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 ซื้อของของตนเองด้วยราคา9โกรธหรือเก้าสิบล้านบาทแล้วนำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามใหม่ชื่อว่าปุปรารามเพราะอยู่ทางทิ่ตะวันออกแห่งพระนครสาวัตถีการสร้างปุปรารามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดยี่สิบเจ็ดโกรคือซื้อที่ดิน9โกรสร้างกุฏิวิหาร9โกรและจ่ายในการฉลองอีก9โกร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 นักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึง่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจา้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบพิษพระองค์นะ่ะเป็นเคระหหัสยังบริโภคกามบรรทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้าที่มาจากแขวนกาสีทัดทรงของหอมโลปไหลได้จุนจัน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 ถ้าพระองค์จะทรงรับรองนักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญยุตยานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงกราบทูลว่าอัศจรรย์จิงพระเจ้าข่าอัศจรรจิงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญยูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนักบวชเหล่านั้น